แสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวัน เคยสั่งสอนทราบซึงจึงเป็นแรงช่วยพักดันให้ฉันเด็กก้าวไปถึงฝันฝันที่ฉันหวังใจต้องการเป็นความราคภูมจากรู้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 A thousand. ศึกษาสิ่งนี้ก้มลมวันทาสัทธาสวัสดีครับเป็นผู้ฟังที่เปิดเครื่อง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 พิจารณาในสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็ให้ในส่วนของพงรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายได้ซักถามนะครับนะแล้วก็ตัวแทนรัฐบ า, นนาลคณะรัฐมนตรีก็จะต้องอไปตอบนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จะมีการพิจารณาช่วงวันที่19ถึง 21, 21มิถุนา ย, ยนศกนี้ซึ่งในวันที่19เนี่ยตอนเริ่ม ต้นก้าโมงครึ่งเน้นะประธานสภาผู้แทนรัษดรนายวันมอมัดนอมัตทาเนี่ยก็เปิดประชุมนะพิจารณาล่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,568 หวงเงินก็สูงถึง 3.75 ล้านล้านบาทแล้วครับนะซึ่งตรงนี้ก็ให้นายกรัตนตีได้ชี้แจงนายกเศรษฐาทวีสินก็ชี้แจงบอกว่าล่าง พรลบองกประมาณปี2018ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เศรษฐกิจไทยเราเติบโตนะฟื้นตัวเต็มศักยภาพนะซึ่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ประมาณการนะบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยก็จะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 นะซึ่งมีการขยายตัวจากการส่งออกนาะยยงตีก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ การขยายตัวของการอุปโภคบริโภคการลงทุนภาคเอกชนก็จะฟื้นตัวแล้เฉพาะภาคท่องเที่ยวแล้วก็คาดว่าจะมีอัตรางเงินเฟอ้อประมาณร้อยละศูนย์จุดถึง 1.7 แล้วก็นูนในช่วงปลายปี 2,567 นะปีนี้นโยบายดิจิตอนวันเล็ก 1,000 บาทก็จ ะ, ะถึงมงอคนไทย50ล้านคนนายกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เกิด พ า, าพายุหมุนทางเศรษฐกิจก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะเกิดการจับจ่ายใช้สอยกระฟื้นเศรษฐกิจจะฟื้นนะายกว่าอย่างนั้นชี้แจงนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงต่อว่าในปีสองคือปีนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศนะประมาณ 36.7 ล้านคนนะซึ่งก็ ปีหน้านี่ก็จะให้มากขึ้นนะก็จะมีการจัดเทศกาลกระตุ้นการท่องเที่ยวนะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศก็อาจะาทำให้เพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่บอกว่าตอนนี้มีการลงทุนสูงถึง 8.5 แสนล้านนะสูงสุดในรอบ9ปีนะแล้วก็มีบริษัทชั้นนำนะก็จะเข้ามาลงทุนในไทยเรานะพวก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงพวกดิจิตอพวกอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็โชว์ไว้ว่าก็น่าจะน่าจะฟื้นนะนายกก็หวังหวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าการจัดเก็บรายได้นะปี68เนี่ยนะก็จะมีรายได้สุทธิประมาณ 2.88 ล้านล้านบาทแล้วก็จะกู้มาชดเชยนะครับเพื่อการขาดดุลอีกประมาณ8ปดแ0 0ห่้านล้านนะ การรวมเป็นงบประมาณ 3.75 ล, ล้านล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นายกก็ชี้แจงนะครับนะชี้แจงนะซึ่งก็เปิดให้ในส่วนของฝ่ายค้านก็ได้ซักถามนะซึ่งนายชัยทวัฒน์ตุลาทนผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเก้าไกลอภิปรายบอกว่าล่างพอระบอ ง, งบประมาณปี2018เนี่ยก็บอกว่าหน้าผิดหวังนะงบ กวนกู้มากเกือบชนเพดานนะครับ ก, กู้มามากกลัวจะเป็นหนี้นะครับเพราะฉะนั้ น, นจริงๆแล้วก็คืออาจจะไม่ได้ผลผู้นําฝ่ายค้านก็บอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยยึดดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยเป็นข้อเสนอของผู้นําฝ่ายค้านเวลาจ่ายการลงทุ น, นเพราะฉะนั้นโครงการก็ยังไม่ชัดเจ น, นก็เป็นการเอา มีภาควิจารณ์ของของฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องฟังทั้ง2ฝ่ายแหละครับนะเพราะว่าการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นภาษีของของประชาชนที่จะต้องอาศัยการใช้จ่ายอย่างอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพนั่นก็เป็นเรื่องที่คุยกันในสภาและฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ชนางเออ่เี้ยเบิงตาแลกเฝ้าแต่รวนานแล้วน้ตกอไม่กลับมาเธอนัดฉันไวทำไมเธอลืมสัญญาฉันยืนคอยที่ชานชลาที่รักจ๋าจงมาสิทียืนใจเต้ ฉันยืนรอดูอยู่หลายขบวนทำไมไม่เห็นเธอทีฉันยืนรอเสียเวลาตั้งหลายนาทีหน้าตาก็ดีไม่นา่าโกหกตลกกับฉันยืนชะงักตาเมื่อคอยเธอกลับมายอดประจาน เธอหลบหน้าไปไหนกันฉันยืนรอรอด้วยใจไวหวั่นใหญ่ถ้ากลับมาแปร เชิงรือตามเออขอให้เธอกลับมายอดรักจาเธอหลบหน้า มาพูดมาคุยกันกันต่อไปนะครับนะในช่วงนี้นี่เราก็จะจะเห็นนะครับว่าการมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของงบประมาณนะครับนะซึ่ง ก, ก็เป็นจุดที่จะชี้แล้วครับนะว่าในส่วนของปีหน้าเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะฟืนฟ้นฟูกันอย่างไรนะครับนะซึ่ง ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะทิศทางนะครับนะทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของขอ ง, ของงบประมาณนะครับนะว่าอาจจะออกมาในใ น, ในรูปแบบไหนนะครับนะซึ่ง ก, ก, ก็ดูแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของรัฐบาลนี่ก็มองเรือธงก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Wallet แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องฟังนะการพูดคุยของข้อเสนอแนีของของฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับนะว่า จะทำอย่างไรนะครับนะ อ, ยอย่างเช่นคุณจุลินลักษณะวิสิตสสบัญชีรายชื่อไปรี่ปัดเนี่ยก็อภิปรายบอกว่างบประมาณอของรัฐบาลนี่ก็ลงทุนแค่ร้อยละห้านะทำให้โตต่ำกว่าเป้านะครับนะซึ่งตั้ง GDP ไว้ที่ร้อยละ 5.4 นะแต่ว่าก็บอกว่าสุดท้ายนีย่ก็โตแค่ร้อยละ 2.5 แล้วก็รวมกับการทำโครงการที่ย้นวันเล็ดแล้วก็โตแค่ร้อยละสอดนะครับซึ่ง ต, งตรงนี้ก็ทำให้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านะก็น่กกเป็นฝ่ายค้านนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปคุณจุดดินลักษณะวิสิทธิ์นี่ก็เป็นอดีตรองนายกนะของประยเทปัตยในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นะครับแล้วก็บอกว่าจากแผนการคังระยะปานกลางปี2อ6 8ถึง ระบุชัดว่า น, นี่สาธารณนานี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะปี2 6 8ก็จะอยู่ที่ร้อยละ 66.93 นะครับแล้วก็ปี2569ก็จะอยู่ที่ร้อยละ6 6 5 7แล้วก็ปี2570ก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ 67.57 นะซึ่งก็เป็นภาระนะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนะคือประชาชนทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ ฝ่ายค้านก็เป็นห่วงนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็คงอาจจะต้องดูนะครับนะว่าก็ต้องใช้อย่างอย่างเชื่อมั่นนะครับน ะ, ะอย่างอย่างประหยัดนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องจะต้องดูว่าจะจะอย่างไรนะครับส่วนนางสาวสิริกัญญาก็บอกว่าเราแบ่งงบนะปีนี้นี่สูงนะครับล้านล้านนะก็ใช้จริงนิดเดียวประมาณหนึ่งใน4ี่ นะคือซึ่งปิดมาพัฒนาประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรง น, นี้ก็คงจะต้องพยายามที่จะดนะูแล้วก็ยังมีการตรวจสอบว่าแดวิสัยทักษ์อีกนัย Thailand ก็ยังไม่มีรูปธรรมนะก็จะเป็นโดยเฉพาะโครงการ s อ f t Power นะก็ยังไม่ขับเคลื่อนมากบอกนั้นก็ไปผักดานโครงการดิจิท a l w a l เ e ็มากนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ตรงนี้ก็อยากจะติ่งให้ใช้จ่ายอย่างรอบคอบนะก็เป็น ความคิดเห็นในในส่วนของของของฝ่ายค้านนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องคงจะต้องดูแลครับนะว่าในในส่วนนี้นี่รัฐบาลนะก็จะผลักดันกันอย่างไรนะครับนะผลักดันกันอย่างไรซึ่งก็คงจะต้องดูกันในหลายๆส่วนนะหลายๆส่วนในการที่จ ะ, ะมาพัฒนาจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอการ ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักนะที่เราจะดึงร า, ายได้นะจากนะต่างประเทศมานะอย่างประเทศไทยเรานี้มีจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละครับเนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็ในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานี่ก็บูมมากนะักท่องเที่ยวมาแล้วก็ใช้จ่ายนะมีเงินเข้าประเทศเนี่ยนะเป็นเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านนะครับนะคือก็ทำให้เศรษฐกษิจเรา สามารถที่จะประครองอยู่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกลางปีนี่ก็จะเป็นช่วงโลโลซีซันแหะครับนะก็คือนักท่องเที่ยวอาจจะน้อยหน่อยอาจจะต้องมาเน้นให้คนในประเทศนะเที่ยวกันเองโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มกเกษียณอายุนะครับนะที่ไปเที่ยวทําบุญบ้างไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างจังหวัดต่างๆมีงานเทศกาลต่างๆนี่ก็ ไปเที่ยวนี่ก็ส่งเสริมกันได้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่อาจจะมาเน้นตรงนี้ที่จะให้ในส่วนของแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่นะครับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางด้านวัฒนธรรมนะครับนะอาจจะมีงานเทศกาลงานบุญงานอะไรต่างๆแล้วก็ให้ในส่วนของกลุ่มคนในประเทศนี่เที่ยวกันเองภายในประเทศนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ าการมีนโยบายที่จะส่งเสริมนี่ก็จะส่งเสริมอย่างเช่นเมืองรองนี่แหละครับนะกระจายการท่องเที่ยวมาก็จ ะ, ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับกือเที่ยวกันภายในประเทศแล้วก็ในช่วงปลายปีก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยนะครับในการค้ายันเศรษฐกิจของเรานะครับแต่เราก็จะเห็นว่าในในหลายๆ จังหวัดนี้ทําได้ดีนะครับการส่งเสริมการการท่องเที่ยวนะครับนะซึ่งแล้วก็โดยเฉพาะนี่จังหวัดที่อยู่ติดกับสบปป ล, ลาวเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวที่เชื่อมกับลาวกับกัมพูชาเนี่ยครับเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยมา ก, มากอย่างอย่างของลาวเนี่ยก็มีรถไฟความเร็วสูงขวามเร็วปันกลางอย่างจีนมาที่เวียงจันทร์เนี่ยเรากำลังที่จะทํารถไฟไปเชื่อมต่อแล้วเราสามารถที่จะ ให้นะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวนะอย่างภาคอีสานทางไทยเราได้แล้วเราก็ไปเที่ยวอย่างสปปลาวจีนได้แล้วส่งสินค้าแลกเปลี่ยนกันได้นะซึ่งก็อย่างที่บอกตอนนี้นะทุเรียนไทยก็เป็นเกรด A แล้วครับนะ ท, ท, ที่จีนเนี่ยนะก็รับซื้อกันแล้วก็อย่างมะพร้าวนะครับมะพร้าวมะพร้าวเป็นลูกๆมะพร้าวนี่ก็รับซื้อไม่อั้นเหมือนกันเห็นว่าอย่างนั้นนะคุยกับในส่วนของชาวบ้านที่ทํา นะการเกษตรเนี่ยก็เห็นบอกว่าจีนก็รับซื้อเป็นลูกๆเนี่ยไม่อั้นเหมือนกันทั้งคนที่ทำนะมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมาาแล้วก็ในส่วนของทุเรียนนะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นสินค้าหลักนะที่จะส่งออกนะก็ต้องแข่งกับเวียดนามนะครับนะวเวียดนามก็ส่งส่งไปเหมือนกันนะครับน ะ, ะการท่องเที่ยวในอีสานใต้นี่ก็ต้องเชื่อมโยงกับทางกามัมพูชาเพราะว่า จุดแม่เหล็กก็อยู่ที่ในส่วนของนครวัดนคนรธมนะที่เสียมเรียบนะกัมพูชานักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมากันมากทำยังไงที่จะเชื่อมโยงมาถึงนะพนมรุงเมืองต่ำพี่ไม้นะครับใ น, ในแถวอีสานใต้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าเป็นอารยธรรมขอมนะเหมือนกันนะครับแล้วในขณาที่ในส่วนนี้ก็มีการท่องเที่ยวเนี่ยส่งเสริมกันก็ช่วยกันหลายๆส่วนก็จะทาให้เกิดการพัฒนานะครับ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 สักทีแต่วันนี้กลับไม่เหมือนเมื่อก่อนได้แต่ฝันยามนอนถึงได้เจอกับเธอไม่เคยคิดว่าเป็นเธอที่เธอสุขเสมอเมื่อมีเธอที่ใกล้ไม่ได้ เอาอกเอาใจยามพักพรได้แต่ฝันยามนอนถึงได้เจ อ, อกับเธอไม่เคยคิดว่าเป็นเธอที่เธอสุขเสมอเมื่อมีเธอที่กลไม่ได้เพอไป I'm not a r i d o t h a r k มีวิธียุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกาบติ